วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมพุทธศักราชสอง8ยห้าสิบปดวันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนสามเป็นวันพระเย็นนี้พวกเราก็ได้ทำวัดสวดมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าว แนะนำเรื่องเราพวกเราควรจะได้รับรู้รับทราบแต่กการพูดและการแนะแนวและการแสดงก็ค ล, าคลา้ายๆกับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าต้นหลักจริงๆก็ไม่ยากไม่มากมีตะกายกับใจ แต่ยนต่นเขาจริงๆมีแต่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นถึงจะพูดไปยังไงก็ไม่หนีจากหลักคือหลักของใจขยายออกไปก็คือกายวาจากายวาจากายก็คือการประพฤติวาจาคือ ค, อ ค, อคำพูดจากนั้นก็คิด ใจคิดเรื่องอะไรที่เป็นบาปที่เป็นบนุญการกระทําสิ่งใดร่างกายการกระทําสิ่งใดที่เป็นบาปและเป็นบนุญการพูดสิ่งใดที่เป็นบาปและเป็นบนุญบาปก็คือสิ่งที่พูดไม่โธกบุญก็คือพูดโก ทำถูกทำผิดทำถูกคิดผิดคิดถูกพูดผิดพูดถูกโดยมากก็มีแต่สองแต่อัพญญตาจิตเป็นกลางกลางพูดเป็นกลางกลางไม่ผิดไม่ถูกทำไม่ไม่ทำผิดทำถูกค oh ิดไม่ผิดคิดไม่ถูกจิตเป็นกลางกลางการกระทําเป็นกลางกลางหรือการพูดเป็นกลางกลาง มันก็ยากอยู่แต่เป็นส่วนน้อยโดยมากมันมีแต่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งจะมากกว่า <c oughs> วันนั้นและการกล่าวเรื่องราวเรื่องการกล่าวทำเรื่องกล่าวกล่าวเรื่องเหตุผลก็เป็นเรื่องที่จะต้องได คิดได้ทบทวนพอสมควรจากเรื่องการแนะแนวเรื่องการภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาอย่างนี้เป็นต้นบางท่านบางคนก็บอกว่าทางบางท่านก็บอกว่าการภาวนาทำจิตใจให้สงบนะเราจะกําหนดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกมันเป็นสองมันจะสงบได้ยังไงเพราะมันเป็นสอง เราจะเอายังไงให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธมันยังเป็นหนึ่งแต่ตามไม่จริงพุทธกับโทมัก็เป็นสองอีกแล้วในความคิดการนึกคิดกับวริกรรมคาวริกรรมทั้งกมเป็นสองอีกอา้าวถ้ากำหนดรูให้ดูใจการมันเคลื่อนไหว การกาหนดกำหนดการกำหน ด, หน ด, หนดเอาสติกำหนดนั่นกัเป็นสองเอกเอาสติกำหนดใจดูใจมันก็สองอ mm hmm. เอกท่านพว่าสติของเรากำหนดดูใจเอาจังสติกำหนด mm hmm. เพราะนั้นเราจะเอาจุดไหนที่เราจะดู ตามไม่จริงเอาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่องหลวงปู่มั่นหรือหลวงตามหาบัวที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมจนได้มักได้ผลตามแนวแถวของท่านผ่านมาแล้วได้ผลมาแล้วเราก็ควรจะยึดแนวแถว อ, องค์หลวงตาเป็นหลัก เพราะถือว่าเราจะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่พระพุทธทเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาณที่ท่านนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพวันเดือนหกเพนท่านก็กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก ท่านก็ไม่ได้บอกว่าดูลมเท่านั้นถึงจะหายเข้าและหายออกก็คือลมให้มองลมท่านก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้ตรัสไม่ได้พูดว่าอย่างนั้นท่านก็บอกให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะเราให้มีสเสียง ส, สติให้อยู่กับพิธีกําหนด ถ้าไม่กำหนดอย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะ ก, กาหนดอย่างไรเพราะว่าการนั่งอยู่เฉยเฉยจะมีแต่ลมหายใจเข้าออกเป็นของหยาบที่มอเรามองเห็นมองเห็นกายของเราถ้าเราเราเดินเราก็มองเห็นการก้าวขาของเราเคลื่อนไหวในการก้าวเดินเราก็กำหนดที่เท้าของเรา ขาขวาพดขาซ้ายโถอันนี้ก็คือเรากําหนดให้ดูกายว่ากายยาทุกปัญหาสติปัฏฐานให้กําหนดกาย <c oughs> ให้กําหนดกายเป็นหลักอันนี้คือกําหนดกรรมฐานกายยาทุกปัญหาปฏิปัฏฐาน่ว า, า, า, า ด, ดูในสติปัฏฐานส ส ต, ติปฐานสีคืออะไรคือกายเวทนาจิตธรรมอันนี้คือสติปฐานสีคือหลักหลักที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้อันนี้คือกฎเกณฑ์หลักสี่อย่างที่จะทําจิตใจให้สงบหรือว่าเป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นประตูเป็นประตูด่านแรกที่พวกเราจะเดินเข้าสู่มรรคผลจะดูสู่เข้าเดินวิปัสสนา ก่อนที่จะเข้าสู่วิปัสนาะนั่นแหละคือการที่ทําจิตใจให้สงบเราจะกําหนดที่ตรงไหนนี่แหละท่านบอกว่าสติปัฏฐานสีนี่แหละเป็นด่านแรกกายเวทนาจิตธรรมกายคืออะไรก็คือกำหนด <c oughs> กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออ ก, น, น, อ ก, กาานี่แหละคือกายก้าวขวาขวาพุธขาใช้โทนี่แหละคือ กายยบยักยกน้อย่างน้ออันนี้แหละคือกายกำหนดลมแล้วก็กำหนดที่หัวใจของเราที่มันเต้นตึกตึกึตึตตตตอันนั้นก็คือกายหรือเอากำหนดเอาใจของเราให้มีความรู้สึกตั้งแต่หัวจดเท้ามองดูตัวเองอยู่ว่าเรามีร่างกาย อันนี้ก็คือให้มีสติสัมปชัญญะให้มองดูให้รู้ว่าตัวเองอยู่ในร่างกายอันนี้ก็คือกำหนดกายกำหนดเวทนาเวทนาคือความรู้สึกนึกคิดเท่าเป็นอยู่สบายกัำ ว, ว่าสุขเวทนาถ้าว่ามีใจเป็นทุกข์มีเรื่องกระทบ ก, กระแทก อันนี้ว่าทุกขเวทนาถ้าเราถูกไฟไฟเผามันร้อนไฟไหม้มันร้อนเราวัาทุกขเวทนาถือว่าเราได้ใช้น้ำเย็นได้ดื่มน้ำเย็นรู้สึกสบายอันนี้ว่าสุ ข, ขเวทนาอันนี้ก็เหมือนหลายๆอย่างขาวัตเวทนาเนี่ยหม่หมผ้าอุ่นก็สุขเ ว, เวทนาสุ ข, ขเวทนาถ้าแดด มันร้อนหมผ้านะมันร้อนอันนี้ก็เป็นทุกขเวทนาหิวก็เป็ น, นเวทนากระหายก็เป็นเวทนาอิ่มเออสุขสบายเป็นสุ ข, ขเวทนาอันนี้ก็คือเวทนาของกายและก็เวทนาของจิตอันนี้ให้เรากำหนดเวทนาเวทนามันมีทั้งกายมีทั้งใจอันนี้ว่าเวทนานุปัฏฐนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัฏฐาสติปิปฐานก็คือจิตใจของเราเนี่ยนึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรอะไรเราปล่อยจิตใจไปในเรื่องอะไรเราคิดไปในเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะหรือเรื่องอะไรใจของเราเดี๋ยวนี้เราคิดโดยมากมันจะตามไม่ค่อยทัน เรื่องจิตาาตานุปัจนาสติปัฏฐานเนี่ยถ้าสติของเราไม่ทันมันจะตามไม่ตามหลังมันตลอดตามไม่ค่อยถัดอันนี้ว่าจิตาาตานุานปัจนาสติปัฏฐานทำมานุปัจนาสติปัฏฐานก็คื อ, คอธรรมมารมที่มันกระทบมากระทบใจมากระทบตัวของเราถ้าเป็นเรื่องดีเป็นที่พอใจ เรียกว่ากุศลเรียกว่ า, ากุศลเรียกว่าธรรมารมณ์อารมณ์ที่มากระทบใจความพอใจความไม่พอใจที่มากระทบในใจของเราอันนี้ว่าอารมณ์ที่มากระทบจิตใจเรียกว่าธรรมมานุ ป, ปัจนาสติปัฏฐาน นี่แหละพอมาถึงจิตตานุปัฏนานสติปัฏฐานกับธรรมานุปนัฏฐาสติปัฏฐานมันแยกยากแล้วนะให้พวกเราทั้งหลายนื้อเลือรวมมันเริ่มจะแยกยากป้ราหอะไเพรา ะ, ะมันเตเริ่มจะไม่ทานมาแล้วมันเริ่มจะมีชั้นเชิงเข้ามาแล้วกายานุปัฏนานสติปัฏฐานกับเวท น, า น, น า, านุปัฏนาสติปัฏฐานเราพอจะมองเห็นเอื้อ ได้ชัดชัดเป็นสัดส่วนแต่พอจิตาหนุปัจนาจติปัฏฐานกับธรรมา น, านุปัจนาจติปัฏฐานเนี่ยรู้สึกพวกเราจะเริ่มแยกแยกออกยากล่ะเพราะฉะนั้นขวัตธรรมานุปัจนาจติปัฏฐานถ้าเราเปรียบเทียบเป็นของภายนอกอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาเนี่ยท่านแยกให้ดูกันเหมือนกับ พระอรหันต์ท่านหนึ่งท่านจะไปถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้า เ, ออเรื่องจิตภาวนาที่มันคล่องอยู่ในใจพอไปแล้วฝนตก อ, อันนี้คือมาในธรรมบทธรรมปฏิทักถามาในพระไตรปิฎกพระท่านนั้นก็ไปยืนอยู่ใต้ใต้ทุนพระคันตกุฎีของพระพุทธเจ้า พอขึ้นยังไม่ได้ฝนยังตกท่านก็ไปยืนพอยืนแล้วก็ฝนตกลงมาจากท้องฟ้ามาถึงชายขาแล้วก็ฝนมันตกจากชายคาลงมาถูกน้ําข้างหลางพอตกเนมันโยดลงมาจมมันเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็แตกตกลงมาอีกเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็แตกพระองค์นี้ท่านก็ยืนอยู่ท่านก็ดูอื้อ อันนี้คืออารมณ์หรือธรรมอารมณ์หรืออารมณ์ที่มากระทบใจพันมากระทบเสร็จแล้วรับรู้แล้วกระดับรับรู้แล้วกระดับรับรู้แล้วกระดับอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นอันทิจางทุกขังอนาตาท่านก็ปล่อยวางที่ตัวผู้รู้ตัวนึกคิดตัวนั้นนะพอปล่อยวางเท่นั้นท่านก็หมดหลุดพ้นอกัก จากอาสวะกิเลสท่านรู้รู้เท่าทันรู้เท่าทันของเรื่องของใจเรื่องอารมณ์ที่มากระทบปล่อยวางจุดนั้นเมื่อท่านได้จำเป็นเป็นพระหันท่านก็บอกว่าจบแหละไม่จาเป็นจะต้องคืนไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าอีกแล้วเพราะเรารู้หมดแล้วพระพุทธเจ้าก็รู้อย่างนี้เราก็รู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้เพราะนั้นไม่จำเป็นท่านก็เดินกลับกุฏิของท่าน อันนี้คือที่ท่านเปรียบเทียบไปว่าธรรมมาธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่มากระทบจิตใจแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่ผู้เริ่มใหม่ขนาดกายของเรายังจับไม่ได้กำหนดขนาดจับรมอย่างเดียวก็ยังจับไม่ได้บคบผิดตะคบถูกพอมาจับเวทนาเข้าไปอีกนั่นแะ พอมันปวดมากๆคทุลนทุลายสู้ไม่ไหวอีกแต่ไม่รู้จะต้นตอมมาจากไหนเวทนาผลที่สุดก็เนี่ยสู้ไม่ไหวอีกเพราะเหตุไรเพราะว่าเวทนานุ ป, ปัสนาสติ ป, ปัฏฐานเมื่อเราพิจารณาถึงเวทนาคือความเจ็บปวดเวลาเรานั่งปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดทรัพยมันปวด อันนี้เมื่อเราปวดแล้วเราก็ต้องดูดูตัวดูทั่วดที่มันปวดไม่ต้องกําหนดลมละไม่ต้องกําหนดละทีนี้ปล่อยทีปล่อยที่มันปล่อยที่ลมปล่อยที่ลมหายใจเขาออกมากำหนดเวทนาเนียกำหนดที่เวทนาเวทนาสักแต่ว่าเวทนาดูซิมันปวดที่ไหนมันปวดที่เข่าพับแล้วปวดที่เอวหรือปวดที่ แข้งที่มันทับมันทับขาเอหรือมันปวดที่ขาแล้วมันปวดที่เท้าแล้วมันปวดที่ไหนเวทนาเดียคนเรามันปวดไม่เหมือนกันนะอการปวดไม่เหมือนกันในเมื่อมันปวดเราก็ดูซิดูตรงที่มันปวดทีนี่กําหนดดูที่มันปวดอทําไมมันจึงปวดมันเป็นขามันจึงปวดมันปวดที่ตรงนั้นที่หัวเข่าพับ รู้ใช่ว่าถ้าเมื่อเขาคนตายละ่ะเวลาคนตายละ่ะมันปวดไหมไม่ปวดทำไมจะไม่ปวดเพราะว่าไม่มีใจเข้าไปรับรู้รับทราบในจุดนั้นมันมีแต่ธาตุสีดุนดินน้ำลมไฟไม่มีมโ น, โนคือใจเข้าไปรับรู้รับทราบมันก็ไม่ปวดที่มันปวดเดี๋ยวนี้เพราะว่าใจของเราเนี่ยเข้าไปแบก เข้าไปรับรู้ในจุดนั้นมันจึงปวดถ้าว่าใจของเราไม่เข้าไปรับรู้ไม่ไม่ไปรับทราบในเรื่องนั้นมันหัวเข่ามันก็มันก็มีอยู่มันก็ไม่ปวดอย่างที่คนตายไปแล้วนะใจไม่มีมันก็มีหัวเข่าอยู่หัวเข่าคนตายถึงจะเอามีดไปสับเอาค้อนไปทุบหัวเข่ามัน มันก็ไม่ร้องอุ่ยร้องไอเพราะอะไรเพราะวัดไม่มีใจใจไม่รับรู้ใจไม่รับทราบวิญญาณไม่รับทราบมันก็ไม่ปวดเอานี้เอาเธอเรารู้แล้วว่าเราใจของเราไปรับทราบไปแบกมันไปให้ความสําคัญมันไปรับรู้มันมันจึงปวดเราจะดูมันเฉยเฉยเราจะแยก ความรู้สึกออกจากตัวที่มันปวดดูสิแยกออกจากร่างกายดูสิไม่รับรู้รับทราบดูสิมันจะเป็นยังไงจากนั้นเราก็กำหนดดูกายสักว่ากายใจสักว่าใจผู้รู้ก็เป็นผู้รู้รู้แต่สักว่ารู้กายก็สักว่ากาย เ, เขาสักสวอตปวดก็สักว่าปว ด, วปวดไม่รับรู้ เ, เข้าไม่ไปแบบมันดู นี่แหละพอดูจากั้นเข้ามามันจะกายของใจของเราเอา่อมันจะถอยออกจากร่างกายมันจะไม่ปวดถึงจะปวดกพด็พออดพอทนมันไม่ทําให้จิตใจของเราทุรนทุรายทุกในเวทนาที่มันเกิดนี่แหละวิธีการฝึกหัดแยกกายออกจากแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายแยกเวทนาออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนา นี่แหละวิธีการแยกอันนี้จะมีประโยชน์มากในเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีเรื่องเราอะไรเกิดขึ้นเราจะหรือการภาวนาถ้าเราแยกเริ่มแยกได้อย่างนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเราต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นในพวกเราควรจะแยกนะควรจะแยกดูแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกาย กายไม่ใช่เราเจ้าเราไม่ใช่กายเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนานี่แหละอันนี้ก็คือฝึกหัดแยกกอาไว้เจตคือตัวนึกคิดรับรู้เรื่องต่างๆของร่างกายจิตตาทุ ป, ปัสนาสติตปัฏฐานทำมาก่อนอย่างที่วาสิ่งอารมณ์ที่มากกระทบใจนี่แหละถึงจะครูบาอาจารย์องค์ไหนจะแสดง เรื่องสมถะทเนี่ยไม่หนีจากสติปฐานสี่แต่ท่านองค์นั้นจะเอามุมไหนออกมาพูดเอาเอามุมไหนมาออกมาอธิบายออกมาแนะนำให้ศรัทธาญาติโยมโลูกหลานให้ได้รับผู้รับทราบไม่นอกเหนือจากสติปฐานสี่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้ฟังแล้วนะ่ะ อย่าไปงงเลยหรืออย่าไปพวักพวงว่าข้าทำถูกหรือข้าทำผิดแหข้าปฏิบัติผิดหรือข้าปฏิบัติถูกถ้าว่าพวกเรารู้เงื่อนในการจับรู้เรือ่องในการแน่แนว ในทมคาสอนของพระพุทธเจ้าวะอยู่ในสติปฐานสี่นี่แหละพอเรายึดได้จุดนี้แหละท่านพูดองไหนจะพูดอะไรขึ้นมาเราก็จะรับรู้รับทราบรู้แนวทางเลยว่าโอ้ท่านอธิบายในมุมมุมนี้เลเหลี่ยมนี้ชั้นเชิงนี้ที่ท่านอธิบายถึงท่านจะอธิบายเป็นตุเป็นตะว่าเป็นเรื่องของท่านท่านไดกลับรู้รับทราบปฏิบัติมา เป็นครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามที่ท่านรับทราบรับรู้มาแต่เราฟังดูแล้วนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางเอาไว้นะั้นจะติดปฐฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมพวกเราก็จะได้แยกแยะออกได้เพราะนั้นกนให้พวกเราทุกท่านนะอันนี้คือสมถติฐานสมะนะัติฐานวงจำกัด ถ้าจะว่าไปแนละ้วมันวงจํากัดเหมือนกับ น, น้ำอยู่ในตุ่มยอยู่ในหนองคลองบึงอยู่ในนัน่นแหละอยู่ในเกาะเรื่องสมถนะแต่เรื่องวิปัสสนาธนาดมันกว้างขวางเทนะ่าใช้สติใช้ปัญญาตัวนี้นะมีมากจะทำยังไงจึงจะสกัดตะล่อมมองดูจิตใจของเรา ไม่ให้มันปลงฟุ้งออกไปข้างนอกนะด้วยสมัตฐของเราทำจิตใจให้สงบแล้วนะเมื่อจิตใจผ่านความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะสมัติฐานเนี่ยคืออย่างที่ว่านะกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละนะเมื่อเราทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งแล้วนะเรานำจิตใจที่ผ่านความสงบที่เป็นหนึ่งแล้วนั้นนะมาพิจารณาแยกแยะดูกายดูใจ ด, ดูร่างกายของเราเพราะโดยมากใจของเรามาหลงหลงร่างกายมาหลงร่างกายหลงร่างร่างกายตนเองแลก็หลงร่างกายคนอื่น เ, เมื่อหลงร่างกายคนอื่นแล้วหลงทรัพย์สมบัติหลงสิ่งที่เกี่ยวข้องยศถาบัรดาศักดิ์เงินคําทรัพย์สมบัตเิเลือกสวนไรนา ที่พักพาอาศัยที่พักพาอาศัยบ้านเรือนมันหลงไปหมดมันหลงอะไรทีแรกคือหลงร่างกายว่าร่างกายของเราเนี่ยจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายแต่ตาไม่จริงมันไม่ใช่นะใจนะนี่อันนี้ก็คือเมื่อเราทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งแล้วนะเรามองตนเองมองกายของตนเอง พอมองกายของตัเองก็รู้ได้ว่าร่างกายเนี่ยจะเลี้ยงธนุถนอมขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบของมันร่างกายขนาดร่างกายตัวของเราแท้ๆอยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังไม่ใช่ของเราแล้วของอย่างอื่นล่ะจะเป็นของเราได้ยังไงหื้ใจนี่แหละอันนี้ก็คือใจคือจิตใจที่มันสงบแล้วนะ ในเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วมาพิจารณารถึงเรื่องร่างกายพิจารณาเห็นตรงไหนจุดไหนก็เห็นได้ชัดในการพิจารณากําหนดดูของใจนั้นจากนั้นก็ดูใจเดี๋ยวนี้ใจของเราเรานึกคิดเรื่องอะไรเนี่ยดูใจเถิดเนียใจของเรามันไปทางไหนไปทางกิเลส ต, ตัวไหนทางราคะหรือทางโทสะหรือทางโมหะ ดูสิดูใจของตนเองนี่แหละกำหนดดูใจพอกําหนดดูใจก็พิจารณาดูกําหนดดูใจมันหลงเรื่องอะไรทําไมกิเลสตัวไหนอยู่ที่ใจของเราในขณะนี้จากนั้นก็เมื่อเห็นใจได้ชัดเจนมันก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเห็นโลกทางโลกมันมีหามันหาสาระประโยชน์ไม่ได้ มันมีแต่เรื่องคว้าลมคว้าแล้งคว้านั่งขาคว้านี่ไปเลยเ อ, อผลที่สุดก็นั้นนะไม่มีใครได้อันไหนไปเขาได้อะไรไปที่พวกที่ไปก่อนพวกเราแต่พวกเราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวคนนั้นไปเขาได้อะไร อ, อในเมื่อเราเราไปเราได้อะไรแล้วคนที่ตามหลังไปเขาได้อะไรผลที่สุด เมื่อเราพิจารณาดูให้ชัดเจนเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบแล้วเมื่อพิจารณามันจะเห็นได้ชัดในความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากนั้นใจของเราก็มองดูแล้วก็บมันหาสาระประโยชน์ไม่ได้ทุกสิยงทุกอย่างเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทั้งหมดในเมื่อเสียงไม่เที่ยงเสีึงไม่เที่ย ง, ส, ง, ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ พอเราจิตใจของเราไปยึดไปมั่นไปให้ความสําคัญมั่นหมายมันก็เป็นทุกข์ในเมื่อมันเป็นทุกข์แล้วมันจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรนี่แหละเห็นอะเห็นได้ชัดเละไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะะเป็นอันธิจางทุกขังอนัตตาเลยจากนั้นก็มองหามองเข้ามาดูใจใจเห็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนั้นก็ปล่อยวางไนงะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะ่นแะ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะอันนี้คือภาคปฏิบัติท่านจะพูดในเรื่องแนวไหนเรื่องทานการอยู่ด้วยกันต้องมีทานท่านอธิบายอย่างไรแนะนำอย่างไรเรื่องการทานเรื่องรักษาศีลการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎระเบียบอย่าไปรังแกเบียดเบียนคนอื่น เคารพสิทธิคนอื่นเขาเรานี่คือศิลสมาธิเป็นแนวความคิดยังไงเนี่ยหลวงพ่อธิบายวันนี้อธิบายเรื่องสมาธินะัวิปัสสนาะเนี่ยคือเป็นแนวความคิดทางด้านจิตใจนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เคยภาวนาเลยอาจจะงงเพราะงงเพราะเป็ น, นเป็นแนวความคิดนะถ้าว่าพวกเราผูดด้ที่ภาวนาแล้วนะ จิตใจผ่านความสงบแล้วจะรู้ได้แล้วเออที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังเนี่ยท่านพูดเรื่องนามธรรมาคือด้านจิตใจเห็นได้ชัดในเรื่องแนวความคิดแต่ละเรื่องชีช้ประเด็นให้ดูอันนี้คือแนวความคิดนะคิดอย่างนี้นะดูใจนะนนนะเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนะเราจะมองเห็นตัวเองได้ชัด เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพระทุกองค์ให้อยู่ในความสงบอยู่คนเดียวพระในคังพระพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเห็นพระองค์หนึ่งท่านอยู่องค์เดียวไปองค์เดียวนั่งองค์เดียวไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องแวะกับองค์อื่นอยู่ตามลำพังพระ เหล่านั้นก็นไปกราบทูลพระพุทธเจ้าอันนี้พระองค์นั้นท่านอยู่ตามลำพังไม่เกี่ยวข้องไม่พูดสูงสิงไม่เกี่ยวกับใครพระพุทธองค์นี่แหละสาธุสาธุอนุโมทนาพระองค์นั้นท่านทำถูกแล้วนะพวกท่านทั้งหลายดูนั่นแหละทำอย่างนั้ น, นอย่าไปเกี่ยวข้องท้าว่าพวกท่านทั้งหลาย ยังไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกอยู่มันมีแต่เรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้เมื่อท่านอยู่อย่างนั้นท่านดูใจของท่านอยู่ตลอดเวลาใจของเรานึกคิดไฝไปในทางไหนรู้เรื่องของจิตใจดูใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละองค์นี่นะถูกต้องแล้วอย่าไปคุกคลีด้วยหมูด้วยคณะนะพวกท่านทั้งหลายนะนี่พระพุทธเจ้าท่านเออ อนุโมทนากับผู้ที่อยู่ตามลําพังแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ตามลําพังแล้วคิดเออเหลออยลอยลมคิดกุดคิดมุดคิดเรื่องวัตฏสงสารอันนั้นใช้ไม่ได้ถ้าว่าอยู่ตามลําพังเค็ดดูว่าใจของเราเป็นยังไงในขณะนี้ใจของเราสงบไหมกําหนดให้มันสงบสงบให้ได้ในเมื่อพิจารณาเห็นอเนจังทุก ข, ขังอนัตตาให้ได้ ดูใจดูกายดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจแต่ละวันแต่ละเวลานั่นแหละคือหน้าที่ของพระนะหน้าที่ของพระเนี่ยให้ดูให้ดูกายดูกายแล้วก็ดูใจอดูกายเนี่ยนะดูไปเถอะร่างกายนยแก่ไปเรื่อยๆนะกายอใจนะอถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะอีกสักวงนหนึ่งเด็วก็เห็นฟันลุดเด็กก็เห็นผมขาวเด็กก็เห็นหนังเหี่ยวเอเห็นตาฝ้าฟางไปเรื่อยล่ะ ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะ ใ, ใจนะเลี้ยงกายเนะี่ยฮดูกายจากนั้นก็ดูใจใจอย่าไปรุ่มหลงกับสิ่งภายนอกเกินไปนะล้วนแล้วจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันไหนคือความสุขที่แท้จริงเฮ้ใจดูสิใจดูสิดูให้ชัดเจนหน่อยซิอันไหนคือความสุขที่แท้จริ ง, อออ ม, รงมองดูกายแล้วก็มองดูใจจากนั้นมันก็มีแต่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระ แกนสารในการเป็นอยู่มีแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายพระนิสุขนันนะปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนั่นแหละคือประหารพระอริยะสงฆ์โลกุตละธรรมไม่ได้หาที่ไหนนะพวกเราท่านทั้งหลายดูที่ใจนั่นฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหาธรรมไม่ต้องหาที่อื่นหาที่ใจรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจนั่นแหละ มันอยู่จุดนั้นเท่านั้นตอนนี้ไปนั่งสมาธินะัตตีนะ